ศึกษาเรียนรู้ความฝันที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นนิมิตอะไรไหมบ่งบอกให้เราทราบอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยถ้าคนประเภทขี้ฝันคืออะไรก็ฝันอะไรก็ฝันอันนั้นไม่ไม่น่าเชื่อถือสักอย่างเออน้นาฝันทีอย่างเงี้ยหรือเป็นเรื่องแปลกอะไรอะไรประเภทนั้นอ่ะก็ควรจะนํามาคุกคิดว่ามันมันคืออะไรมาสะท้อนให้เราเห็นอะไรพวามฝันก็ไม่ต่างจากการ สองกระจกนั่นแหละคือเป็นเครื่องบ่งบอกในความเป็นตัวเราในขณะนั้นในภาวะนั้นอาจจะบ่งบอกเรื่องราวของชีวิตอาจจะบ่งบอกเรื่องของสาภาพจิตว่าจิตเป็นยังไงในเวลานั้นนี่นความฝันมันมันเป็นนิมิตอย่างหนึง่งก็เมื่อสี่วันก่อนอาตมาฝันว่าฟั น, น, ฟ, นฟันข้างในของอาตมาที่มันเป็นฟันฟัน แมงน่ะมันโกนมันอะไราเรียกว่าไม่ใช่มันไม่โยกอ่ะมันมีมันมีแมงกินเข้าไปเป็นรูน่ะข้างในนี่นะแปลงฟันเราจะรู้สึกได้อ่ามันมันจะรู้สึกได้ทีนี้อาตมาก็คิดเอ๊ะจะไปถอนดีหรือเปล่ากลางคืนนอนหลับฝันว่ามันหลุดออกมาเองเออดีแล้วไม่ต้องไปถอนแล้วมันหลุดออกมาเองตื่นเช้ามาก็ม่เห็นมันหลุดเนี่ ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนั้นคือเกิดจากความคิด<อ>เกิดจากความคิดแล้วฝัน<อ>บางบางคนฝันเห็นคนนั้นคือคิดไม่พอใจคนน้นไว้แล้วคิดความคิดนั้นยังอยู่ใ น, ในใจวนเวียนอยู่จนหลับไปก็เกิดเป็นความฝันขึ้นมาว่าคนนั้นเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ในเรื่องที่ไม่ดีอันนั้นก็เป็นความฝันในการ การสร้างความคิดจากจิตของเร า, าบางคนฝันว่ามีสัตว์ไล่สัตว์ไล่เนยวิ่งไล่แล้วก็วิ่งหนีเขาหรือมีคนมาไล่คนแปลกคนแปลกแปหลายๆคนวิ่งไล่หรือถูกคนทํร้ายแล้วก็วิ่งหนีเอาตัวรอดได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยถูกถูกถู ก, ถกตีบ้างอันนี้ก็ให้เข้าใจว่ามีนายเวรบางจาพวกติดตาม ที่จะก่อกวนอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้ทราบได้เลยว่าฝันอย่างนี้เป็นเครื่องบ่งบอกแน่นอนอุทิศบุญให้หรือว่าทําสิ่งที่เป็นมงคลเช่นกราบไหวบ้บิดามารดากราบไหว้ครูอาจารย์กราบไหว้และลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสมูตรสวดบทพระปรลิบอย่างเงี้ยก็จะลดทอนกรรมวิบากที่มาถึงตัวเองได้ ที่ง่ายที่สุดคือกลับพ่อกลับแม่จะดีมากช่วยแก้ไขสิ่งไม่ดีได้นะบุตรที่เคารพสักการะมัรดาบิดาจะเข้าถึงความเจริญนั่นคือมูลเหตุที่พวงทรงชี้ไว้ไม่ได้เจริญเพราะไปบทบานสารก่าวหรือเส้นสวงเส้นไหวอะไรให้มันเจริญนะ ผู้ยาวบอกว่ากุลบุตรเราได้ปาธนาความเจริญในชีวิตคือเจริญโดยไม่เสื่อมนะไม่เสื่อมด้วยนะไม่ใช่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อม น, นี่เจริญโดยไม่เสื่อมต้องเคารพสักการะนับถือบูชามารดาบิดาของตนของตนเองเคารพนับถือบูชาคนในครอบครัวเคารพกันในคนในครอบครัวจะถึงความเจริญทําบุญกับสบมณพราหมณ์ผู้ผู้ชอบอุทิศบุญให้เทวดาผู้สถิตในบ้านเรือน นี่คือมูลเหตุที่พวงทรงสอนไว้ทำอะไรทำอะไรอีกเรื่องความฝันหายหรือยังหายสงสัยหรือยัง ผู้ได้เจ้าบอกว่าสิ่งที่จะได้มาล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เคยทำไว้ทั้งนั้นไม่มีเลยที่มันจะเป็นเลาะลาบลอยมาลอยมามาถึงเราแล้วก็ได้โชคก่อนนั้นเป็นเงินสิบล้าน2ีสิบล้านอะไรเพนี้ไม่มีลอยมาแต่มีเหตุปัจจัยแห่งการการะทำของเราไว้ก่อนจึงบังเกิดขึ้นหากไม่มีเหตุปัจจัยของการการะทำไว้ยังไงก็ไม่เกิดขึ้น ถามว่าเกิดเกิดมาได้ยังไงอาจจะเป็นการถวายทานในปางก่อนในการถวายสังฆทานถวายสังฆทานแล้วปรารถนาว่าบุญนี้จงบังเกิดเป็นโชคลาภให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าในวาระแห่งการเป็นไปในวะะัฏฏะที่ยังต้องเกิดตายอีกขอให้บุญนี้จงเป็นโชคเป็นลาบบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าบุญนั้นก็ไปแบบ คนเป็นโชคเป็นลาภนะหมายถึงว่านานๆหรือว่าในช่วงชีวิตหนึ่งก็อําเวยผลครั้งหนึ่งหรือสองครั้งก็แล้วแต่แล้วแต่กำลังของบุญมากหรือน้อยนี่หากทาไว้มากมูลเหตุที่สร้างไว้ดีการอําเวยผลก็จะอมํมนวยผลให้ได้ดีเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยล้วนแล้วแต่ท ำ, ทำไว้ทั้งนั้นไม่มีรอยมา พุทธเจ้าบอกอันที่ลอยมาโดยไม่มีเหตุไม่มีในโลกนี้แม้แต่จะไปพระนิพพานต้องสร้างเหตุคือสร้างทางแห่งอริยมรรคนี้ให้เต็มบริบูรณ์ถึงจะเข้าถึงนิพพานได้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องสร้างเหตุให้เพียงพอแก่ความเป็นมนุษย์ถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้หากไม่สร้างเหตุให้เพียงพอแก่ความเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เหตุที่ทําให้เป็นมนุษย์คืออะไรรู้ไหมสิ่งห้าใช่ เพรศีลห้ามันเป็นเครื่องรองรับชีวิตเห็นความเป็นมนุษย์ทําลายศีลห้าก็เท่าทำลายชีวิตความเป็นมนุษย์หรือต่ำกว่าศีลห้าก็มีการยึดถือพระรัตนตรัยการยึดถือรัตนตรัยไว้อย่างบั่นคงตลอดสิ้นชีวิตจะเป็นมูลเหตุให้ได้รับความเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันอย่างนี้ในระยะเวลาแสนกับยืดยาวนานมาก ยุง่งแดดออกอยู่ยุงก็ยังออกก็ลายลายอยู่เหมือนกันในตัวนี้ละละละเป็นตะัวไรรองที่นี่ไม่มีเชื้อไข่เลือดออกไม่ใช่นะมันหิวก็ต้องกัดนะน้อง มันเป็นไปไม่ได้ไไดไเขาบอกว่าคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเลอยุงยุงถึงอยู่อยู่ใกล้หรือกัดแนนไปฆ่ามันทำไมต่อมาเลี้ยงไว้เนยะ <laughs> ไม่ได้เลี้ยง <laughs> พูดไปอย่างงั้นแหละ <laughs> แต่บอกไว้ว่าไม่ต้องกลัวมันไม่มีเชือ้อมันไม่มีเชือ้อไข้เลือดออกอยู่ที่นี่ไม่มี พอถ้ามีอาตมา ก, ก็เป็นก่อนเขาดื้อแล้วพอถูกยุงกัดมากอยู่ที่นี่ถูกยุงกัดยุงขบเยอะก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไข้มาเลยเรี ย, รย น, น, นอะไรละ่ะมันเป็นระบบของร่างกายเราเองเว่านี้อยากให้อาตมาตอบเรื่องของทางการแพทย์เขาเหรอเ <laughs> นี่ยคุยทางคํำดีกว่าเนี่ยมีการถ่ายทอดออกไปด้วยนะเนี่ <laughs> ก็ทำอะไ ร, รก็มีตุ่มมีอะไรขึ้นมาก็เป็นปกตินั่นแหละไปคิดอะไรมากจะฟังเรื่องอะไรนะ<อ>นรกเหรอพูดถึงนรกโอ้พูดไปก็น่ากลัวเนาะจะพูดดีไหมเนี่ยน่ากลัวน่ากลัวมากๆเลยนรกน่ากลัวแบบ โอ้น่ากลัวมากๆแบบโอ้โหมันมันไม่อยากจะให้ไปเจอเลยนะไม่อยากจะให้ไปเห็นไม่ให้อยากให้ไปตกเลยนะคนที่ไปมาแล้วสัมผัสมาแล้วรับรู้มาแล้วไม่อยากให้ใครไปนรกเลยมินหน้าหรือพระพุทธเจ้าจึงสอนนักสอนหนาสอนไม่ให้ใครกระทําบาปแล้วเว้นจากบาปแล้วปิดอบายภูมิให้ได้ปิดบาปกรรมที่จะไปสู่อบายภูมิไปนรกให้ได้เพราะมันหนักมากนรกนี่เอ า, อางี้ดีกว่าสาติลัยชานเราอยากให้ไปเกิดไหมฮ <Yeah. S 1> นะ สัตว์เดรัจฉานอยากไปเป็นไหมไม่อยากเป็นยุงไงอยากเกิดเป็นยุงไหมนะไม่อยากเป็นยุงสัตว์เดรัจฉานแค่ยุงเนี่ยยังไม่ใช่นรกนะยังอยู่ในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานนะเรายังไม่อยากจะไปเกิดเลยเกิดเป็นสุนัขไงเนี่ยเรายังไม่อยากไปเกิดเลยแต่ถ้ามันมีเหตุพอที่จะให้ได้ไปเกิดก็ต้องได้ไปไม่เกี่ยวกับว่าอยากหรือไม่อยากมีเหตุพอจะให้ได้ไปเกิดก็ได้ไป ตอนเป็นมนุษย์เราเห็นสุนัขเราบอกว่าไม่อยากจะเป็นใช่ไหมล่ะแต่พอได้เกิดไปเป็นสุนัขแล้วเราจะรู้สึกว no ่าเราเป็นสุนัขทั้งตัวเลยเพราะนั้นคือการยึดความรู้สึกจะยึดทั้งตัวเลยว่าเราคือสุนัขเราคือหมาไอ้กูเป็นหมานิวาอย่างเงี้ยไม่มีความรู้สึกหรอกว่ากูไม่ใช่หมากูเป็นคนไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ในร่างไหนจะยึดร่างนั้นทั้งร่างว่าตัวเองเป็นอยู่ในร่างมนุษย์ก็ยึดถือความเป็นมนุษย์ว่าตัวเองเป็นอยู่ในร่างเคพก็ยึดถือตัวเองว่า เป็นเทพเป็นเทวดาอยู่ในร่างพรหมก็ยึดถือในตัวผมว่าเราเป็นพรหมอยู่ในร่างสุนัข ก, ก็ยึดตัวเองว่าเป็นสุนัขแต่ขณะที่อยู่ในร่างมนุษย์เห็นสุนัขจะยึดถือสุนัขว่าเป็นตัวเองได้ไหมอยากจะยึดถือไหมไม่อยากยังไงก็ไม่อยากแต่พอได้ไปเกิดเป็นแล้วยึดทั้งตัวทีนี้แล้วใครมาไล่ตีก็หัวงแหนตัวความเป็นสุนัขไปใช่ไหมหัวแห็งก็กำลางทายตัวเองนั่นแหละ ใครมาตีไม่ได้ใครมาทําร้ายไม่ได้ก็วิ่งหนีหรือใครจะทําร้ายก็ก็ทําร้ายตอบอย่างเงี้ยนั่นคือการหวงแหนตัวเองการการะทําทุกอย่างในขณะที่เป็นสัตว์เนระช้า air, และหวงแหนตัวเองไว้ยิ่งกระทาทุกอย่างด้วยความหวงแหนตัวเองยิ่งเกิดแรงแห่งอุปท า, านการยึดมั่นถือมั่นแล้วพบแห่งสุนั ก, ก็จะสืบต่ออีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยแรงแห่งยึดมั่นถือมั่นนี้อย่างเงี้ยมนุษย์เหมือนกันกระทาอะไรด้วยความรู้สึกที่ปกป้องหวงแหนตัวเอง หวงแหนสิ่งนั้นห่วงแหนแม้แต่ห่วงแหนลูกก็คือห่วงแหนตัวเองก็สร้างภพแห่งความเป็นมนุษย์ในการยึดมั่นถือมั่นอย่างแรงกล้าและสื่อต่อไปเป็นเปรตก็ยึดถือในร่างของเปรตไปเป็นอสุรกายยึดถือในร่างอสุรกายไปเป็นนรกไปตกนรกไปยึดถือในร่างกายของความเป็นนรกเขามาไล่ทุบไล่ตีไล่ทำร้ายหรือเอาไปลงในหม้อน้ําร้อนเดือดๆก็ลองทุรนทุรไลควรค้างไม่อยากจะลงเขาจับ ไอคนที่จับก็มีพลังมากจับเขาเรียกว่าสองคนกำยำร่างกายใหญ่จับเราสองคนโยนลงไปเราขัดขืนไม่ได้เลยในน้ำจะขัดขืนยังไงก็ไม่มีแรงขัดขืนมันน่ากลัวมากเรื่องของนรกถ้าพูดอย่างนี้ก็ยังไม่เจออีกเนาะยังไม่เห็นว่ามันน่ากลัวยังไง ลองเราเอาฐานไฟแดงๆสักก้อนหนึ่งมาวางไว้ในมือเราแล้วกําไว้สักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมกําไว้สักครึ่งชั่วโมงได้ไหมกําไว้สักห้านาทีได้ไหมนิดเดียวก็ร้อน <c oughs> แต่อยู่ในนรกนั้นอยู่อย่างนั้นชั่วกับชั่วกันไม่ใช่แค่ห้านาทีไม่ใช่แค่หนึ่งชั่วโมงเป็นปีร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปี ไม่ใช่แค่กรรมฐานไฟนะทั้งตัวโดนไฟแห่งเพิงเปวเพิงในลุมนรกละอุร้อนแรงมากอยู่อย่างนั้นเอาเทียบแค้แค่ว่ากรรมก้อนหานเพิงห้านาทีเรา ย, ยังนิดเดียวเรา ย, ยังไม่อยากจะกรรมมันเลยแต่นิดยังก็ปล่อยเลยใช่ไหมมันร้อนอันนั้นปล่อยไม่ได้มันร้อนทั้งบดเลยมันร้อนร้อนหมดเลย อยากจะจำลองความเปน็นลรกก็ไปกำถ่ า, านไฟดูไงให้ใ ห, ให้ทดลองดูกำโดยไม่ต้องปล่อยเพราะอยู่ในลบปล่อยไม่ได้ไม่มีระหว่างขั้นคือไม่มีระหว่างขั้นเลยว่าเราเรากำถ่ า, านไฟร้อนๆ อ, อ, อย่างนี้พอร้อนปุ๊บเราก็ปล่อยมันร้อนอันนั้นมีระหว่างอยู่คือหมดจากการจับมันก็ไม่ร้อนจับอีกก็ร้อนแล้วปล่อยมันก็ไม่ร้อนอย่างเงี้ยแต่ในนั้นมันไม่มีที่ปล่อยเลยไม่รู้จะปล่อยตรงไหน รอบๆตัวเราเป็นไฟทั้งนั้นเลยเป็นเปลวไฟลุกโพรงอยู่ในหลุมร้อนระ อ, อุแบบ<ม>เนื้อตัวของเราแม้จะเป็นเนื้อตัวที่ไม่ใช่ตัวเนื้อตัวหนังมนุษย์ก็กจริงอยู่แต่เป็นเนื้อตัวที่เกิดจากวิบากที่จะให้รับผัสสะในเรื่องของความร้อนของไฟนรกนี้เผาลน้นทุลนทุลายแบบไม่ตายคือเผาแล้วตายนั่นนะ ก, ก็ตายก็แล้วนะเข้าใจไหมตายแล้วก็แล้ว แต่อันนี้แบบไม่ตายนะคือเผาอยู่อย่างนั้นร้อนทุล้อทุายแบบจะขาดใจตายจะขาดใจตายก็ไม่ตายจะขาดใจตายจะขาดใจตายก็ไม่ตายมันกลับมาทรมานอยู่อย่างนั้นอนะ่ะทรมานวนเวียนซ้ำ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆอยู่อย่างนี้แล้วจนถึงเขาเรียกว่าอายุใช่ไหมอายุไขสมมุติปีหนึ่งถูกเผาอย่นนปีหนึ่งพอถึงอายุไขก็ดับไปทีหนึ่งเกิดอีกก็อยู่ในนรกอีกเข้าใจไห จนถึงอายุไขอีกแต่อายุไขไม่ใช่ปีทีนี่อยู่ในนั่นโอ้หลายปีมากอายุไข ข, ของสัตว์มันลบผูเผามาเยอย่างนั้นแหละจนครบอายุไขหามีอายุไขร้อยปีก็เผาอย่างไงล่ะร้อยปีในหลุมในหลุมร้อปีอยู่ในนั้นแหละจนหมดอายุไขหนึ่งร้อยปีก็ตายตายก็โผล่ขึ้นมาอีกจนกว่าอย่างเงี้ยเป็นชาติอย่างเงี้ยเขานับชาตินะเขาไม่ได้รับน้อยปีของชีวิตนับชาติคือร้อยปีหมดอายุไขตายครั้งหนึ่งก็นับว่าตายหนึ่งครั้ง แต่คือการใช้กรรมอยู่ในนรกนั้นก็คือตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดอายุในนรกน้อยสุดเท่าที่ตรวจสอบในพระสูตรในพศูในใแตย่ย์พิศุทธิ์นี่นะเท่าที่ตรวจสอบมาอายุสั้นที่สุดคือ7วันหมายถึงว่าใชา้ชดใช้ไฟเผาไหมา้ทั้งวันนั้นอะ ทั้งวันเลยนะ24ชั่วโมงพอครบ24ชั่วโมงปับ๊บตายตายปุ๊บเกิดอีกพึบพับในขณะนั้นเลยเผาอีกวันในวันที่สองครบ24ชั่วโมงตายปุ๊บพุดเกิดขึ้นอีกในวันที่สมอย่างเงี้ยจนครบเจ็ดวันก็พ้นจากนารกที่เห็นสั้นที่สุดคือเจ็วันคือนางมาลิการนางผานงมาริก า, า, ารกาเป็นอดีตของ ไม่เห็สีของพระเจ้าเประเซนที่โกศนประมาณนี้แหละกลาไม่เหสีเนื่องจากว่าก่อนใกล้ตายไปนึกถึงกรรมที่ไม่ดีบางอย่างที่ทําไว้แต่ปางหลังมืดหลังแล้วก็พอไปเรื่อยถึงกรรมที่ไม่ดีก็จิตเศร้าหมองนําไปสู่อบายภูมิแต่ด้วยการที่ทําบุญกับพระเจ้าไว้มากก็ไปชดใช้ได้ไม่นานเจวันเอาไม้เจ็ดวันกรรมฐานไฟไว้เจวันติดต่อเนื่องกัน เอาไหมไ ม, ไม่เอาอีกแต่ยังไงก็ตามถ้าได้ไปก็ต้องได้ชดใช้อยากไปไหมอยากไปไหมนรกไม่อยากแต่ทางไปนรกมีไหมได้ทำไปไหมทางไปนรกคืออะไรบ้างรู้ไหมฮะทางไปนรกอะ่ปะปาณาติบาตอธินาทานกาเมสูวิฉาจานทร์ อะไรอีกมุสาวาตสุราเมระยะมชประมาทาฐานเนี <Okay. S 1> ย่ยทางไปนะลกูพกพระยาจึงให้งดเว้นไงสี่ขาบทหประการนี้เป็นการเป็นการชี้ชี้ชี้ชโทษให้เราได้เห็นว่าหากล่วงละเิดจักไปสู่อบอายภูมิทีนี้เราก็บอกเอาก็ไปกันทั่วบ้านทั่วเมืองนี่ฆ่าสัตว์ก็ฆ่ากันมาการทำทงนั้นอาตมาเองก็ถูกเลี้ยงดูด้วยการฆ่าชีวิตสัตว์อื่นเอามาเลี้ยงเอามาป้อน เอามาทำให้ร่างกายนี้เติบโตพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาก็ฆ่าสัตว์มาเลี้ยงมาป้อนข้าวให้กินก็เติบโตมางั้นก็ไปนรกกันหมดนลสิก็ไปนรกอาตามาจะต้องไปตวนรกอยู่300ร้อยขุมของอาตามานะนั่นคือไปเห็นมาไปเห็นนรกที่ตัวเองสร้างไวนะ้น่ะ0 0มร้อยขุมหมายถึงว่าบมดจากคุมนี้ก็ต้องไปคุมนี้หมดจากคุมนี้ก็ไปคุมนั้นุมนั้นขุมนั้นขุมนั้น ทีนี้ก็เลยมาเรียนรู้วิธีการปิดอบายยาูมว่ามันมีวิธีปิดในทางพุทธศาสนา น, นี้วิธีปิดเมื่อมีวิธีปิดเราจะปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในนรกเนี่ยมันก็โมันมันมันมน่ากลัวมากเพราะไปได้รับการทดสอบมาแล้วว่ามันเจ็บปวดมันทุกทรมานขนาดไหนไปทดสอบมาแล้วไปทดสอบตรงที่ยังไม่ใช่นรกเขาเรียกว่าวินิบาทที่คุมขังมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมแต่ในห้องแต่ละห้องเนี่ยจะมีเครื่องลมคันเต้ไปหมดเลยมีโซ่มีค้อนมีมีมีดมีอุปกรณ์พทรมานอ่ะมีหมดก็ไปลงตรงนั้นตรงตรงที่ของอาตมาโทษโทษของอาตมาที่ทําไปอาตมาก็ว่าไม่เชื่อรอกว่านี่คือทัทอบายพูมนะไม่เชื่อ ตอนนั้นต้องการจะพิสูจน์ด้วยก็นั่งสมาธิอยู่ดีๆก็ไปมีคนมาดึงไปเวิร์อบออกไปเลยก็เป็นโรงตรงที่วิบากกรรมที่เคยสร้างไว้จะต้องได้มาตรงนี้เขาว่าอย่างเงี้ยหลังจากตายต้องอะไรมาตรงนี้ก็เป็นที่ของอาตมาเองคือเป็นส่วนของกรรมที่จะต้องได้ด ช, ด ช, ด ช, ดชดใช้เป็นห้องเป็นห้องสี่เหลี่ยมเป็นห้องของอาตมานะห้องห้องลงทันเหมือนกับถูกขังขังเดียวอะไรแบบนี้แต่ไม่ใช่ขังเดียวคือ ไม่มีกองขังเป็นห้องโล่โงๆแต่เครื่องลงทันมีเต็มไปหมดเราก็มองเอ๊ะมันใช่เหรือเปล่าหรือเป็นตาฝาดหรือเป็นนิมิตหรือเป็นแค่สมาธิหรือเป็นแค่ภาพใช้ให้ทราบตามความคิดที่เราคิดขึ้นมาเฉยๆพอคิดขึ้นมาอย่างนั้นปับ๊บโซ่ก็มาเลยที่นี่โซ่จากผนงังห้องใหญ่ด้วยนะแต่มีอาตมาได้รับโทดคนเดียวห้องข้างๆก็มีได้ยินเสียงร้องโวยหวนอยู่ห้องข้างๆห้องข้างนู้นก็โหยหวนร้องโหยหวน ร้องกวนคัญขามเสียงร้องมันมันร้องไปทไําไมเงี้ยก็มีไม่เชื่อว่า น, นั่นคือเสียงร้องจากการถูกลมทันทรมานโซ่มาที่นี่พราความไม่เชื่อไงไม่เชื่อว่าใช่ว่าเป็นของเราจริงโซ่มาตึงแขนเลยตึงแขนตึงขาดึงเข้าไปติด ก, กับผนังค้อนใหญ่ๆมาเลยนะค้อนใหญ่กว่าอันนี้อีกโน่นใหญ่เท่าตู้นูนะ้นน่ะตู้ตู้หนังสือนะนะั่นน่ะใหญ่มาเลยที่นี่ทุกทิศทุกทางเลยฟาดทุบตี โซ so, ่ดึงอาตมาพิกขึงไม้กลางอากาศก็ฟาดทั้งข้างบนข้างล่างทุบเข้าด้วยกันฟาดทั้งหัวทั้งท้ายเข้าด้วยกันฟาดมาทุกที่ทุกทางแล้วมันเจ็บปวดแบบเจ็บจริงๆแบบกับทุบตีเนื้อหนังเราจริงๆนี่หากเป็นแค่ดิวิทเราจะรู้สึกเจ็บทําไมหากเป็นแค่ภาพที่มันฉายออกมาจากความคิดทําไมเราต้องรู้สึกเจ็บอันนั้นเจ็บจริง ๆ, ๆเจ็บเหมือนกับดูดแตกระดูกหักหรือเจ็บเนื้อเจ็บหนังเจ็บผิวจริงๆ เจ็บปวดทรมานเจ็บแบบสาหัสเจ็บร้องแบบโอ้โหแบบมีหน้าไอ้ห้องข้างๆมันร้องไอ้ห้องนู้นมันก็ร้องไอ้เสียงเราก็ร้องกบเขาไปเลยทีนี้ร้องแบบคล้ายๆกับว่าโอ้มันทุกข์ทรมานมากสุดเสียงร้องแบบจะขาดใจตายร้องแบบคนเจ็บปวดจริงๆไม่ใช่ร้องําอะไรจึง คิดขึ้นมาโอ้เชื่อแล้วว่า น, นี่คือกรรมวิบากในส่วนที่จะต้องได้รับผลแน่นอนเชื่อแล้วพออกเชื่อแล้วปับ๊บค้อนหายไปก่อนโซ่ก็ดึงขึ้นมาเริ่มหลุดพินี่หลุดหลุดหลุดปับ๊บแล้วก็พยืนอยู่ข้างหน้าห้องนั้นโอ้โหที่ลงทันของเราเนี่ยวะเฉพาะของใครของมันมีเฉพาะของใครของมันเคยทํากรรมชนิดใดไว้ก็ได้รับอย่างนั้นในส่วนที่เคยกระทําในขณะที่เป็นมนุษย์แน่นอนยืนยันขอยืนยัน เขาบอกว่านี่แค่ลงที่ลงทันเท่านั้นที่คุมขังเท่านั้นแต่ไม่มีใครคุมเข้าใจไหมไม่มีคนคนยืนคอยคุมไม่มีโกงไม่มีอะไรขังแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วตึงถูกมัดถูกถูกตึงแล้วก็ถูกลงทันอย่างนั้นจนกว่าจะหมดอายุไขร้องขวัญางอดโอยอยู่งี้แล้วเขาก็ชี้ไปบอกว่านวดนรกอีกสามร้อยุมที่ท่านจะต้องได้ไปไอ้ที่ลงทันนี้ก็หนัก หนักหนาสาหัสแล้วไอ300้สามรูอยมันจะขนาดไหนวะ ม, มองไปตามที่เอาชีด้ดินี่เปลวไฟลุกขึ้นจากปากลุ่มนี่นะสูงจะหลดเมมเปลวไฟนรกนะ<ม>น่าไปไหม <c oughs> พูดอย่างนี้ก็อาจจะยังยังไม่กลัวเท่าไหร่หรอกอาตมานี่กลัวสุดขีดเลยนะร <c oughs> ู้สึกว่ากลับเข้ามาล่างนี่ <c oughs> เขาเอาเอาเอากลับคืนมาในล่างนี่ยังรู้สึกกลัวอยู่เลยนะ กูจะทํายังไงนอกถึงจะปิดอบายยปุ่มเขาก็บอกอยู่ว่าหากท่านยังไม่สามารถปิดทางไปนรกได้ท่านจะได้มาใช้ในสามรุ้ยมเนี่ยจะได้ไปตบแน่นอนตายหากูนี่อยู่ไม่เป็นสุขแล้วก็เลยได้นอนวันละแค่หนึ่งชั่วโมงนอกนั้นเดินย ง, งก้มกับนั่งสมาธิท่องทัศน์กรรมฐานสีทั้งวันทั้งคืนแล้วก็พี่นะร่างกายเป็นธาตุสดินน้ำไฟลบตลอดวันตลอดคืนเพื่อต้องการอยากจะปิดขอปิดนรกนี้ให้ได้ก็พอ ขนาดนั้นมันก็เลยคือเวลาเราจะนอนหลับเนี่ยเราก็นึกถึงแต่ภาพไฟนรกภาพที่ถูกคุมขังอยู่อย่างเงี้ยมันก็หลับไม่ลงหลับลงอยู่ก็หลับด้วยความความล้าของร่างกายใช่ไหมล่ะแล้วก็เที่ยงคืนตีหนึ่งก็ตื่นตื่นนี่จะมามั ว, ม ว, มวงัวเงียไม่ได้นะเดี๋ยวภาพภาพนรกมันโผล่ขึ้นมาอีกเดี๋ยวจะมั ว, มวงัวเงียไม่ได้พอมัวเงียแล้วจะนอนต่อยี้มันจะคิดถึงแต่ว่า จะต้องไปนรกเลยต้องเดินลุกออกมาจากที่นอนเลยเนี่ยเป็นเดินจงกรมเดินอยู่นั่นแหละท่องธาตุกรรมฐานสีให้ใจอยู่กับธาตุก็ทํามาจนจิตเป็นสมาธิก็เข้าใจว่าจะปิดอบายภูมิได้เนี่ยจิตเป็นสมาธิปรากฏว่าพอนั้งสมาธิได้มันดิ่งลงไปใต้แผ่นดินเนี่ยแผ่นดินมันแหวกออกแหวกออกแหวกออกใช่ไหมล่ะเราก็จิตเราก็ลุ่งล ง, ล ง, ลงเฮ้ยมันจะไปนรกหรือว่าไอเราก็กลัว ไอภาพนั้นก็มีมันมีอยู่ในความรู้สึกเราอยู่แล้วไงว่าจะไปนรกกูไม่ไปแล้วท่านอย่างนี้แสดงว่าสมาธิยังปิดนรกไม่ได้รีบขึ้นเลยทีนี้ขอขึ้นดีกว่าแผ่นดินก็หุบเข้าหุบเข้าหุบเข้าพอพ้นจากพื้นดินเสร็จก็พ่นขึ้นไปบนต่างอาวกาศนนต่างฟ้านุ่นฟองฟ้าก็เป็นโร่มๆบางๆเอ๊จะกลับเขา้าร่างยังไงจะไปยังไงออกมาแล้วจะเข้าไม่ได้แล้วมันก็เลย นึกถึงการนั่งตัวเองเอเ ร, เรานึกถึงกุฏิเฮ้กุฏิเราอยู่ตรงนี้นี่ว่ะเรานั่งเรานั่งอยู่บนกุฏินี่วะหรือึกถึงท่านั่งพอเราลึกถึงท่านั่งปุ๊บไม่รู้มันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่รู้สึกตัวที่ตัวเองเลยทันทีที่นี้ก็ เ, เลยหาวิธีการว่าอะไรจะปิดอบายภูมิได้จนภาษาที่สองจึงได้รู้พระรัตนตรัยเป็นที่ปิดอบายภูมิพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ แต่พลรตันตน์ไตในความหมายของผู้ได้เจ้าพระรสงนั้นไม่ใช่ไปยึดที่รูปเคารพเครื่องรางของของังวัตถุปุกเสตแต่เป็นการยึดถือรันตนไตด้วยใจด้วยจิตยึดถือยึดพึ่งยึดถือเนี้ยมันเกิด อ, อนุภาพการรองรับทาง จ, จิตใจเราลึกถึงผู้ได้เจ้าพระรัสงมันมีภาวะการรองรับขึ้นมาเป็นลูกแก้วจ้ารอบตัวธรรมาไว้รอบตัวเลยนะเป็นลูปแก้วใสปิง้งเลย ก็รู้สึกเลยว่าเหมือนกับรู้สึกในในเลยนะว่าเราปิดนรกได้แต่ก็ยังไม่สดิบหมายว่าหมายถึงว่ามันได้ชั่วคราวมันไม่สดิบเขาเรียกว่าโลกิยะสลาณคมเป็นสลาณคมเป็นรัตนาตาตยที่อยู่ในชั้นข้องโลกิยะปิดได้ชั่วคราวพ้นแสนกลับไปก็ยังต้องไปตรนรกอยู่แต่ก็อุ่นใจอยู่ว่าเราปิดในในชั้นนี้ได้ ๋ย้อนไปแสนกับแล้วก็ไม่แม้จะไม่มีความรู้ว่าได้อนุภาพการปิดอบายภูมินี่แสนกลับแม้จะไม่ทราบก็าตามแต่มรารู้สึกอุ่นใจไปแล้วในข้างในน่ะลึกๆว่าเราเราพ้นจากนรกแล้วพ้นจากอบายแล้วเพรามีเครื่องรองรับทางใจที่แน่นอนแน่นอนรู้สึกแน่นอนแล้วมั่นคงมากคิตใจรู้สึกมั่นคงมั่นคงกว่าแต่ก่อนขณะระจิตลงเป็นสมาธิยังไม่มั่นคงเท่ากับเข้าถึงรัตนาตาเตยเลยนะเข้าถึงรัตนาตาเตยนี่มั่นคงมากคิดอ่านอะไรก็คิดได้ง่าย ไตต้องคิดไขรควรหลักทําอะไรก็คิดได้ง่ายสมองปล อ, ปลอดโปรง่งจิตใจก็ปลอดโปรง่งก็อุ่นใจเบาใจสบายใจจนปฏิบัติมาจนถึงระดับที่เรียกว่าปิดอบายยภูมิได้อย่างขาวรอนเนี่ยโอ้อันนั้นแน่นอนเลยกระโดดลงไปที่ปากขุมนรกก็ไม่ไม่ตกลงไปในขุมนรกคือมันเห็นชัดเจนเห็นด้วยตาเรานี่แหละตาตาเนื้อตาหนังนี่แหะไม่ใช่ตาทิพตาเทพบตาภายในนะตาเนื้อตาหนังนี่แหละในวันที่ ในวันที่ทำสักการะทิฏิวิจิกริชัสิทธะตตปรามาให้หลุดออกจากกิดจักใจได้นะในวันนั้นเนี่ยคุมนรกสามร้อยกว่าคุณเนี่ยนะปิดเพื่อเพื่อเห็นปากคุมนรกปิดเลยนะปิดแบบชัดๆเลยว่าปิดปิดแบบไม่เปิดอีกเลยตลอดการเห็นอย่างนั้นชัดอย่างนั้นชัดเจนกับตัวเองชัดเจนประจักรใจเดินไปดูซิว่ามันจะตกไหมดิเนี้ย คือรู้สึกอยู่แล้วว่ายังไงมันก็ไม่ตกแต่ก็อยากจะเดินไปดูว่าปากคุ่นนรกมันปิดหลอกหลอกเราหรือเปล่าเป็นนิมิตหรือเปล่าก็เดินลงไปที่ปากคุ่นนรกนั้นเดินไปกระโดดเหยียบกระโดดกระทืบ ก, กระโดดเพื่อจะให้มันรึบลงไปในนั้นมันก็ไม่ลง <c oughs> เออเว้ยใจแน่นอนเลยเว้ยทดสอบขนาดนั้นเลยนะว่าปากหุ่นนรกจะไม่เปิดอีกปิดสนิทเรียบร้อยเห็นหรือยัง เข็นปากคุมนรกปิดหรือยังถ้ายังนี่ระวังมันเปิดดูเปิดอยู่นะคุณแม่ระวังให้ดีทุกคนยังมีปากาลุมนรกเปิดจะได้ไปตกหรือไม่ได้ไปตกนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่เปิดไว้แล้วเปิดรอไว้แล้วแน่นอนเป็นนรกของใครของมันหากยังไม่สามารถปิดได้ยังมีโอกาสได้ไปชดใช้ ย่างน้อยปิดให้ได้แบบโลกิยะสารณะคมก่อนคือรัตนตาตัยแบบโลกิยะปิดแบบแสนกับนี้ก่อนคือมาอ่านตำราจึงได้รู้ว่ามันมีคุณค่าถึงแสนกับเป็นการปิดอบายภูมินะแล้วในกับที่สุดท้ายคือกับที่หนึ่งแสนจะต้องบรรลุทำอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะต้องปิดอบายภูมิได้อย่างขท้าบอลแน่ในในกับที่หนึ่งแสนนั่นคือโลกิยะสารณะในรัตนตตัยในชั้นของโลกิยะเป็นอย่างนั้นแต่ในชั้นของโลกุตระปิดในชา้นนี้เลย มั่นใจเลยแน่นอนเลยชัดเจนอย่างเงี้ยเห็นการทุกทรมานในนรกแล้วโอ้โหหนักหน่วงแต่ลราคนมันไม่อยากให้ไปไม่อยากให้สัมผัสไม่อยากให้ไม่อยากให้เจอเลยเลยรู้สึกซึ้งถึงสิ่งที่วงทรงตัดไว้ห้ามข้อนั้นห้ามข้อนี้เว้นจากข้อนั้นกระทำข้อนี้จงทำอย่างนั้นจงทำอย่างนี้ โอ้ทำไมโพกงศ์กำชับนักกาชับหนาทําไมพ้ามสอนขนาดนั้นทําไมต้องตัดห้ามอะไรไมไมไตั้งมากมายก็มันทางที่จะไปนรกมันเยอะมันมีช่องโอกาสได้ตลอดเวลาทางนี้จะไปนรกสําคัญมากตัวเนี้ยแล้วทุกอย่างที่เกิดกับการปฏิบัติของอาตมาเป็นการรู้ชัดเห็นชัดภายในประจักษ์ชัดภายในตัวเอง ไม่ไม่ใช่เรื่องของการคลุมเครือไม่ใช่เรื่องของการคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็นอย่างนี้มันรู้ชัดเห็นชัดและกับสิ่งนั้นประจักษ์ชัดแน่นอนใจคืออะไรก็ตามไม่แน่นอนใจอาตมาจะต้องพิสูจน์ให้รู้ให้เห็นให้ได้แล้วเขาไปรับรู้รับทราบและก็เห็นในสิ่งนั้นๆภายในตัวเองถึงก้าพูดได้เต็มปากถึงกาพูดได้ชัดเจนขนาดนี้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงมันไม่ได้มีอยู่ใน ในโลกมนุษย์นี้แต่มันมีอยู่ภาวะหนึ่งเมื่อละชีวิตไปแล้วได้รับผลอย่างนั้นแน่นอนอะ่ะได้รับผลมันมีกลุ่มนรกรออยู่คนเราเอ า, อางี้ดีกว่าวันพระสวนมากทางเหนือนิยมเข้าวัดกันเนาะวัดเป็นสถานที่ของการทำบุญใช่ไหมทำบุญฟังทำรับศีลบำเพ็ญกุศลในตอนเช้าออกจากวัดแล้วแต่ละคนไปไหน <S <S คนที่ชอบลงทุง่งลงท่าก็ลงไร่ลงนานก็ไปไร่ไปนานใช่ไหมนั่นก็คุ้มหนึ่งแล้วนั่นนะ่ะคุ้มหนึ่งแล้วนั่นนะ่ะรู้ว่าวคนที่ชอบอะไร <S 1> <S 1> ชอบร้านเาล่าร้านเบียร์ลานอะไรสนุกสนานก็ไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะแล้วได้ยินตรงไหนมีดนตรีปีพาดการเล่นการละเล่นการบันเทิงต่างๆก็ไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะแต่ละคนใช่ไหม แต่บางคนอธิษฐานจิตอยู่ในวัดนั้นทั้งวันโดยการเจตนาวดเว้นศีลนั่นแหละจะทําให้เขาพ้นจากีิบากส่วนไอ้พวกที่ไปโน่นไปนี่ในวันพระนะไ ม, ไม่ยอมวดเว้นนี่นะอ่ะไปลงท้ายไล่ลมนาลงทุง่งลงท้ายไปร้านเล่าไปที่บันเทิงไปไปตามที่ตรีมชอบอะเล่นการพานันบ้านถ้ายิ่งกับตรงกับวันซื้อหวยกูขาดไม่ได้เลยอเ น, นี้ยกูขอไอ้พี่ซื้อก่อนไม่ ง, งั้นอยู่ไม่เป็นสุข นี่ครับวัดศรมาเหมอนเจ้าไปทำการยังไงหอครับไปวัดสัญจรยังไงวัดสัญจรอ๋อสัญจรเข้าวัดสเดือนนี่นะไปทุกวัดไปทุกวัดเลยอันนั้นคือประเพณีใช่ไหมประเพณีก็ได้บุญตามประเพณีแต่ก็ไม่ได้บุญมากตามหลักคาสอน <c oughs> ตามหลักคำสอนนี่คาว่าอุบอสหมายถึงว่าอยู่จัง เขามาอยู่ประจำหมายถึงว่าอยู่ประจําที่อยู่ที่ในที่หนึ่งอุโบสถไม่ต้องไปไหนเพราะถ้าได้ไปแล้วมันจะพลาดในการเรื่องของสีสีขาบทหรือสีจะาขาอย่างเงี้ยมันพลาดมีพลาดกันต้องมีจนไถเลยอยู่ประจําที่จะไม่ค่อยขาดจะเป็นการรักษาองค์ของสีขาบทโดยครบถ้วนบริบูรณ์ดีการเจตนางวดเว้นในสีขาบทที่แรงกล้าอย่างนั้นได้หรือ ตีวงขอบเขตภายในบ้านของตัวเองอธิษฐานเอาบ้านให้เป็นที่อยู่จังจะไม่ออกนอกขอบเขตบ้านหรือออกไปชั่วคราวแล้วกลับเข้ามาในระยะเวลาที่ไม่นานอย่างเงี้ยอธิษฐานอยู่ที่บ้านรักษาศีลสีข้าบทอุโบสถศีลอยู่ที่บ้านอันนั้นก็ได้นั่นก็พ้นอบายได้แต่ก็ชั่วคราวไม่ทาวนานี่แหละเรื่องนรกแล้ว มีภรษาหนึ่งภรษาที่สิหรือเปล่าไม่แน่ใจภาษาที่สิบที่อยู่โดยเวียงเกียงหรือภรษาเก้านี่แหละรู้สึกว่าตอนนั้นอยากจะทราบว่าคนที่ถูกลงทันลงโทษเมื่อมนุษย์อุทิศบุญไปให้เขายังจะได้รับไหมพวกวินิปาต์พวกถูกคุมขังคือที่พอง์ทรงตัดไว้หนึ่งทุคติวินิบาตนารก อาศุลกายอาศุลกายเราก็พอรู้ก็คืออะไรคืออสุลกายคือตัวเป็นมนุษย์หัวเป็นสัตว์อย่างเงี้ยคือพวกอสุลกายน่าจะคล้ายๆกับค้างคาวเปอยไม่มีเสื้อผ้าใส่นี้ตัวเป็นคนหัวเป็นสัตว์นรกก็คือพวกภูมินรกมีแตกต่างกันไปร่างกายของสัตว์นรกนี่ ม, มีมีหลากหลายวินิปาตะวินิปาตะนี่คือ พวถูกคุมขังมีร่างกายเหมือนมนุษย์เราทุกคติทุคติตั้งแต่สัตว์เลี้ยงลืไปเป็ดก็เป็นสัตว์เลี้ยงเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทุคติวินิบาต ท, ที่คุมขังไอ้ที่คุมขังเนี่ยตามาสงสัยว่าจะอุทิศบุญไปถึงไหมก็เลยไปรับทราบที่คุมขังแต่เป็นที่คุมขังรวมที่นี่รวมหมดเลยนะรวมหมดเลยเป็นพื้นราบเนี่ยพื้นดินเนี่ยราบโล่งไปหมดแต่เป็นที่รวม มีทั้งพระทั้งโยมปนกันเลยหมดทั้งนุ่งผ้าขาวผ้าเหลืองผ้าผ้าดําผ้าอย่างเงี้ยชาวบ้านเราเนี่ยรูปร่างเหมือนชาวบ้านเราทั่วไปเนี่ยปนกันไปหมดเลยอย่ที่เดียวกันแล้วก็จะมีคนพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยนะไล่ทุบไล่ตีแล้วก็ใช้เครื่องมือเป็นตะแกงเหล็กแหลมแหลมเกี่ยวไอ้พวกที่ตกชอบตกปลามันก็จะมีเบ็ดใหญ่นะใหญ่มากเบ็ดเนี่ย ใหญ่โอ้ใหญ่เป็นวงใหญ่มากเกี่ยวทีไปที่ปากห้อยไว้เลยเนี่ยห้อยตองแตงตองแตงตองแต ง, ตองแตงอยู่นั่นแหละคนก็ดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นทั้งพระทั้งโยมได้รับกรรมวิบากปอนกันไปหมดเลยในเวลานั้น ท, ท, ท, ที่ที่ตรงนั้นนะที่เห็นหนนะี่นะทีนี้คือมันปรากฏขึ้นมาให้ทราบให้เห็นที น, นี้ก็เลยเล็งดู อ, อ, อ๋อวันนั้นเป็นวันที่โยมวันข้าวทาบุญอะไรนะทําบุญข้าวประดับดินหรือทําบุญ วันเพนเดือนศีรนี่ประมาณนี้อุทิศบุญให้แก่ญาติัน่ะญาติทีละชีวิตไปเขาไม่สามารถมารับบุญได้คืออุทิศไปให้คือคำนวณดูว่ากลุ่มพวกนี้ยจะได้รับบุญไหมทีเนี้ยพวกนี้ได้รับแต่กรรมวิบากไม่รู้ไม่มีวันพระวันศีรษะอะไรเขาไม่หยุดใหก้ก็เห็นพวกที่ถูกเกี่ยวเบ็ดห้อยค้างไว้นี่เลี้ยงกั น, นเป็นเป็นพันเลยนะไม่มีเสื้อผ้าใส่ พวกที่เกือ ก, กิ้งไปตามพื้นแล้วเขาใช้ตะแกรงตะแกรงไอ้ไม่รู้เป็นตะแกรงแต่เป็นตะแกรงเหล็กที่แหลมบุดบดกล้วกิ้งบดไปตามพื้นเนี่ยก็มีโอเป็นจํานวนหลายพันล้องกวนค้างโอดโอยกันอยู่แล้วโอ้เห็นแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวแบบอาตมาก็ไปยืนอยู่ในเหตุการณ์จนบางทีแทบจะวิ่งหนีเหมือนกันถ้าเขามาอยู่ใกล้แต่ก็ไม่โดนไม่สัมผัสเพราะ เราแค่ไปเห็นตอนนั้นเองก็เลยคํานวณดูว่าญาติที่มนุษย์ทําบุญอุทิศให้เขาจะได้รับไหมก็มีบุญที่เกิดจากการที่ญาติที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยทําบุญไปให้พวกวินิบาตเนี่ยพวกถูกคุมขังรวมกันทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าไอ้ไอ้ตัวเบ็ดเบ็ดที่มันเกี่ยวมันกําลังจะเกี่ยวเข้าไปเนี่ยเกี่ยวเข้าไปถ้าคนนั้นกําลังได้รับบุญนะกำลังจะเกี่ยวเข้าไปว่าเข้าไปเนี่ยปั๊บเนี่ยเบ็ดนั้นก็จะโหดหายไปคนนั้นก็จะได้รับบุญปั๊บ มานั่งรออยู่ใส่ชุดขาวจะเป็นชุดขาวรอเลยนะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกับว่าอยู่อยู่ฝั่งเป็นที่เนินบนบนก็นั่งเรียงกันแล้วก็มองดูพวกที่ถูกลงทันนี้ให้เกิดความสดส่งเบ็ใจโอเราก็ได้รับโทษอย่างนั้นมาตอนนี้ได้รับบุญแล้วพ้นจากวิบากนั้นแล้วก็ใส่ชุดขาวนั่งรออยู่แต่ยังออกจากที่นั่นไม่ได้ออกยังไม่ได้เพราะยังยังไม่หมดอายุไขยังต้องอยู่ตรงนั้นอยู่แต่บุญทําให้เขาพ้น พอบุญน้อยลงหมดลงก็ดึงถูกลงไปสู่ที่นั้นอีกเขาแสดงให้ทราบโอ้การอุธทธรรบุญอุทิศก็เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างหนึง่งให้แก่ผู้ที่ละชีวิตไปบุญเข้าประดับดินเดือนเก้าใช่ไหมล่ะเดือนเก้าดับใช่ไหมล่ะ mm hmm. กับเดือนสิบเพลงใช่ไหมล่ะเดือนสิบเพลงนี่บุญอะไรบุญเข้าศาสา์ทางเหนือบุญอะไรสิบ mm hmm. เพลงเนี่ย บุญทำบุญอะไรสลากะพัดอ๋อเออนั่นแหละบุญข้าวสาลักสลาคนั่นแหละสลากะพัดรั่วแล้วแต่เป็นการทําเพื่ออุทิศส่วนกุศลเก้าเพลงนี้ทําบุญอะไรประดับดินมีไหมทางนี้ทาอีสานจะเป็นบุญข้าวประดับดินเดือนเก้าเก้าเก้าดับนี่แหละเช็คดูสองวันนี้เออเป็นเป็นวันที่ควรอุทิศส่วนกุศล บุญข้าวประดับดินในความหมายของข้าวประดับดินคือเอาเอ า, เ อ, าอาหารข้าวเอากับเอาไรใส่กระทงกับกล้วยไปวางไว้ตามถนนนทางต้งเอ้นคนี้สะตวงไม่ได้ทำแล้วทำในโอกาสไห น, น ก, เก็เห็นวางไว้ตามสี่มุมบ้านหรือสะตวงน่ะอ๋อสงฆข้าบ้านนนั้นสะตวงอย่างนั้น สีมุมบ้านนี่เพื่ออะไรรู้ไหมความหมายมบวงสวงเท้าจัตุโลกรบาลทั้งสี่เท้าวิรูปกักเท้าวิรุฬหเท้ากูเวนเท้าวิอะไรเนี่ยลืมหมดแล้วเท้าจัตุโลกรบาลทั้งสี่มหาราชทั้งสี่ชื่ออะไรมีใครบ้างลืมไม่รู้เท้าวิรูปกักเท้าวิรุฬหก เท้ากุเวนทตารัตเออเท้าทตตารัตทัตทตารอดคนหนึ่งสเท้าทั้ททงสี่นี้เป็นมหาราชปกครองโลกดูแลโลกหมายก็ว่าให้ปกครองดูแลบ้านเรานะในความหมายที่เป็น เ, เ, เ, เ, เป็นเป็นเปตรวงเป็นเส้นไหมใช่ไหมแต่การเอาของเหล่านี้ไปเส้นไห้เนะี่ยเท้าทั้งสท่านไม่รับเพราะท่านไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นท่านต้องการบุญหากชาวบ้านอุที่บุญให้เขาเขาพอใจแต่ทําเป็นสะตรวงไหมอย่างนี้นเขาไม่เอา อันที่เป็นทําสะตวงไหวหรือว่าทางอีสานทําเป็นข้าวประดับดินวางไว้กับพื้นดินก็เพราะว่าเอาให้สําหรับคนเอามนุษย์ผีปีศาจจาพวกที่ไม่สามารถรับบุญเรียกว่าไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญจําพวกเปรตบางจําพวกที่เป็นญาติของมนุษย์ที่ไม่อยู่ในในฐานะของผู้รับบุญนะปีศาจบางจําพวกไม่อยู่ในฐานะของรับบุญเราไปวางไว้เขาจะได้อาศัยอาหารพวกนี้ยกินเป็นของทิ้งเขาจะได้กินนั่นคือ การให้อาหารแก่ผู้ที่ไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญแต่ในวันเพ็ญเดือน10นี้ให้อุทิศบุญเพราะผู้ที่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญคือเปรตที่อยู่ในฐานะรับบุญที่เป็นญาติของเราจะได้รับส่วนบุญในวันนั้นเขาจะเปิดโอกาสให้มารับบุญในวันนั้นเดือนเก้าดับให้เป็นข้าวประดับบินให้สาหรับคนที่ไม่อยู่ในส่วนของผู้รับบุญรับบุญไม่ได้ก็เลยต้องกินของเสนไหวอย่างนั้น เดืนสิเพลงนี้ในเขาเปิดโอกาสให้มารับเอาบุญนั้นถึงอุทิศให้ได้นี่คือความแตกต่างแล้วก็เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นกี่ทีนี้พวกถูกคุมขังที่คุมขังรวมกันนี้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งพระทั้งโยมทั้งโอ้โหสารพัดมากพระก็ไม่ใช่น้อยนะ้อยนะ คิดว่าบวชเป็นพระแล้วมันจะดีทุกรูปเลยไปอบายภูมิก็เยอะนะไปนกรกก็เยอะนะไปเห็นมาแต่สิ่งที่เห็นยืนยันยืนยันได้ไหมอาตามา ย, ยืนยันในสิ่งที่ตามาเห็นว่าอาตามาเห็นจริงแต่จะยืนยันว่าความจริงเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ยืนยันเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ปรากฏทางตำลา ม, มาก แต่ที่ปรากฏทางตำราที่สามารถเข้ากันกับสิ่งที่พูดเนี่ยมีอยู่ก็มีแต่อันที่ไม่ปรากฏทางตำราก็ไม่ยืนยันแต่สิ่งที่เห็นไปเห็นมาจริงยืนยันว่าเห็นจริงแล้วก็มีอยู่จริงจริงแล้วเชื่อว่ามีอยู่ยจริงๆด้วยอ่ะเพราะตอนที่เห็นมันไม่ได้ใช่วิสัยของผู้ที่จะไปได้รับโทษไงแต่ถ้าไปเห็นก่อนที่จะปิดอบายภูมิแล้วนะยังมีโทษยังอบายภูมิแล้วอาจจะแสดงให้ตอตมาได้เห็นเพราะตาก็คนหนึ่งที่ตกปลา เอาเอาเบ็ดไปใส่เหยื่อเนี่ยแล้วก็ได้ปลาช่อนมาตัวใหญ่มากดีใจด้วยอาการที่ดีใจว่าตัวเองตกปลาช่อนได้ยิ่งบาปมากยิ่งดีใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บาปมากดีใจเป็นเด็กอะ่ะมันจนดึงเราไปมันแรงมันเยอะเลยปลาช่อนตัวใหญ่หดัดแล้วจินเบ็ดเรานะเราก็เรียกตะโกนให้ผู้ใหญ่มาช่วยดูผู้ใหญ่ก็หาว่ามึงจะไปปลาได้ปลาอะไรอาจจะปลาแค่ปลาตัวเล็กๆอย่างเงี้ย ผู้ใหญ่เขาไปดำานากันไปเราก็บอกโอ้ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เราก็ลองอยากให้เขามาดูเขาไม่ได้มาสนใจทําไงดีว่าก็เลยเขโมดเชือกมัดไว้กับคอญ้าไปดึงผู้ใหญ่เข้ามาดูเขามาดูโอ้โหเขามาเห็นมาตัวใหญ่มากเราก็ดีใจสุดๆ น, นั้นบาปมากเลยหากเยอะยังอยู่ในส่วนที่ยังไม่สามารถปิดอบายภูมิได้อาจจะแสดงขึ้นมาให้เห็นก็ได้นะปวดจริงๆเจ็บจริงๆ เ, เรามาันจริ ง, รงมีเลือดไหลมี มีจริงๆเหมือนกับเป็นคนเป็นเนื้อเป็นหนังตัวคนนี่แหละอยู่ในส่วนของวินิจฉัยที่คุมขังนี้แน่นอนเลยแต่ก็ยังดีที่ว่ายังอยู่ในส่วนของผู้รับบุญได้อยู่นี่คือโอกาสอันหนึ่งที่ผู้เป็นมนุษย์ที่ได้ทำบุญแล้วก็ควรระลึกถึงผู้ที่ละชีวิตไปเราอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นอยู่อย่างไรเมื่อละชีวิตไปนะหากมี ความเอ็นดูต่อกันและกันปารธนาเกื้อกูลที่ดีต่อกันและกันทำบุญในคราครั้งใดก็ตามพึงอุทิศสุขศน์ไปให้เขาเหล่านั้นบ้างนึกถึงชื่อนึกถึงนามส ก, กุลนึกถึงหน้านึกถึงอะไรกันนึกไปว่าบุญนี้จงสําเร็จแก่ผู้นั้นผู้นี้ทีิรชีวิตไปนึกถึงอย่างเนี้ยเนี่ยคือความจริงเป็นอย่างนั้นจริงจริงยังได้รับบุญอยู่กลุมพวกเนี้ยไม่ถูกปิดกั้นเสมอไป ถามอะไรอีกใครอยากจะเรียนรู้อะไรอีกนะคนที่ไปเกิดเป็นนายนรยาบาลทำคำอะไรครับนายนริยาบาลส่วนมากจะเป็นผู้ตัดสินคดีที่ไม่ชอบทําเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ไม่ชอบทําเขาจึงไปลงทันให้ไปเป็นนายนริยาบาลเพื่อให้ไปเห็นว่า ก, การตัดสินที่ชอบทําเป็นอย่างไรผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีไม่ชอบทําก็ไปเกิดไปเป็น คืออาจจะตัดสินไม่ชอบทำแต่ก็ยังทำบุญอยู่สลับกันอย่างเงี้ยมีทั้งบุญทั้งบาปปะปนกันก็ไปเป็นผู้พิพากษาในอาอบายภูมิไปเป็นนาย ม, มบาลพยายมส่วนบริวาลทั้งหลายก็เป็นนิรยาบาลที่ตัดสินไม่ชอบทำหรือเห็นชอบร่วมกันในการตัดสินที่ไม่ชอบทำนั้นแล้วการที่ไปอยู่ในนรกหรือในเมืองพยายมหรือย ม, มโลกนั้น พวกอย่างตัดสินไปตามกฎแห่งกรรมบิดผิวไม่ได้เขาจะได้ไปเรียนรู้การตัดสินที่ชอบทําว่าเป็นยังไงพวกที่อยู่ในนรกแม้จะเป็นนยายนิรยบาลก็ตามก็ไม่ได้แตกตา่างจากพวกนรกเท่าไหร่หรอกพวกสันนรกเท่าไหร่ล้วกเพอๆกันนั่นแหละได้รับความร้อนจากอยนรกเหมือนกันได้รับความทุกข์จากการที่จะต้องไปเที่ยวเข็นไปทุบตีเขาคือต้องไปลงทันเขาเพราะว่า ตนเองตัดสินไม่ชอบทําจะต้องไปเรียนรู้ความชอบธรรมที่อยู่ในนั้นว่าที่ทชอบชอบธรรนั้นเป็นอย่างไรจนกว่าจะรู้ซึ้งพอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่ดนหลวรู้สึกว่าเราจะเป็นผู้ตัดสินคดีโดยชอบธรรมต้องสอบสวนอะไรให้มันชัดเจนก่อนแน่นอนใจก่อนว่าผิดจริงจริงจะลงโทษไม่ผิดจริงแล้วไปลงโทษอันตรายมากโอเ ก็ตกนั่นแหละก็เท่ากับว่าตกนั่นแหละไปอยู่ในขุมนรกก็ได้รับเปลวไฟในนรกเผาไหมแผดแผดเผาผิวไก่ใหมแผดเผาผิวไก่แต่ไม่ได้อยู่ในไม่ไม่ได้รับโทษหนักหน่วงมากเพราะยังมีบุญอะไรพอประคับประคองอยู่พูดยังไงทำทั้งดีทั้งชั่วยู่นั่นแหละปะปนกันอยู่ ก็พอๆกันนะมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าคนคนที่ตกนรกหน่อยเพราะมันต้องอยู่แต่มันก็อยู่ในโลกเหมือนกันนะตกตรงที่ว่าเวลาเขาวางอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับวางไวไฟฟ้าอะไรอย่างงี้พวกผีพกปีศาจอะไรนี่จิงได้จริงปีศาจที่หากินของที่เขาทิ้งมีอยู่เปรตที่หากินที่ของที่เขาทิ้งมีอยู่มี กินอะไระครับเพราะว่าในตามเนื้อเราก็ไม่เห็นว่ามันอะไรหายไปครับถูกต้องมันไม่ได้หายอะไรไปรแต่มันมีความเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่สามารถกินได้อยู่ในนั้นโอชาเขากินโอชาสูตรดมอย่างเงี้ยหรือดู ด, ดมีอยู่ข้างหนึ่งที่อาตมาต้องการอยากจะรู้ว่ามันกินกันยังไงวันนั้นมันมีงานวัดอยู่ที่บ้านบ้านบ้นเคี้ยมีงานวัดอยู่แล้วเสียงเพลงมันก็หึม่มมันดังมาก ขึ้นไปบนดอยแล้วก็นั่งสมาธิอยู่ก็เล เ, เอ๊ะมันงานอะไรก็เลยมองไปที่คือจิตมันก็เพ่งไปที่งานนั้นอ่ะที่บ้านเที่ยวรู้จักเห็นเป็ดยืนอยู่ข้างกําแพงวัดเป็ม <oui> พื้ไปหนดเลยนะเป็ดตัวสูงๆใหญ่ๆมันมองไปที่คนในงานนั้นอ่ะโดยเฉพาะมองไปตรงที่เขาทําอาหารการันเวลาเขาทาอาหารในในในงานนั้นแล้วก็ยกอาหารหรือตักอาหารแล้วมีเศษ อาหารย้อยลงที่พื้นหรือหกลงที่พื้นมันปากมันจะเหมือนกับปากยุงปากที่เป็นปากยุงเนี่ยมันจะยืดไปยืดเป็ดนี่เป็นร้อยนะที่รอบอยู่กําแพงวัดนี่นะยืดต่างก็ยืดปากไปนะยืดยืดยืยืดลงไปเพื่อไปดูดเอาเอาเศษอาหารที่เป็นน้ําแกงน้ําที่มันหกออกไปเนี่ยดูดกินดูดจนหมดแล้วมันก็หดกลับพอหกหยิบมันก็ ยือลงไปอีกดูดกินพลน้ํำลายทิ้งมันก็ดูดกินน้ําลายน้ําเลือดน้ำหนองหากอาหารยังอยู่ในในในหม้ออยู่มันก็ดูดกินไม่ได้เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของคนไปกินอย่างนั้นกรรมไม่ไม่อนุญาตแต่ถ้าหกหรือหลน่นหรือทิ้งมันดูดกินได้มันไม่ได้กินตัวอาหารนะมันกินโอชาเขาเรียกวโอชาในนั้นมันเป็นกรรมวิบากอย่างหนึ่งที่เขาต้องกินอย่างนั้นแล้วเขกินไหครับ ไม่ยิ่มอ่ะมันถ้ายิ่มนี่เป็นเป็ด ผ, ผอมแห้งอย่างงั้นเหรอไม่ยิ่มกินยังไงก็ไม่ยิ่มแต่ก็พอได้กิน ถ, ถ้าพูดเลยเข้าใจคือมโนไปว่าเหมือนกับไม่ใช่มโน ม, มันได้<ค>มันดำรงชีพยอยู่ด้วยวิธีการอย่า ง, งานั้นด้วยกรรมอวิบากวิบากบังคับให้เป็นอย่างนั้น<ค>ให้กินอย่า ง, งานั้นให้อยู่อย่า ง, งานั้นแต่ถ้าดูเราควรจะอุดมบุญมากกวา่าจะไปเหมือนกับยุงมันมากัดเรามันก็ดูดดูดกินเลือดอย่า ง, งานี้นะ อันนั้นคื อ, คอกินเลือดอันนั้นเป็นสภาพของกายที่ ม, มีทิศาตินน้ำไฟลงอันนั้นก็จะมันก็อยู่ในสภาพอีกสภาพหนึ่งเนไี่ยมันก็ดูดกินในอีกภาวะหนึ่งเขาเรียกโอชาของมันนะหรือบางตัวก็สูตรกินสูรสูรกินเอาหอมปื้ดเข้าไปหนึ่งกับางทีก็อิ่มไปห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างสิบวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างแล้วแต่อุภาพของใครข้ามา สูตรกินอย่างนั้นแต่ถ้าเทียบถ้าเทียบกันอย่างเช่นคนหนึ่งที่เอาอาหารอาหารประวัติที่สไปฟางนะครับกับคนหนึ่งที่เอาอาหารที่จิดเอาประวัะวะวติหน่อยฟักลับเอาไปให้พ่อใหแม่แล้วก็อคิดว่าบุญเนี่ยที่เกิดจากการให้พ่อให้แม่เนี่ยเอาไปให้เปรตนั้นจะดีกว่าใช่ไหมครับก็ดีหากเป็นเปรตที่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญก็ดีกว่าแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่า พวกที่ไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญก็ควรจะอนุเคราะห์เขาบ้างเอาไปวางไว้ได้ไม่ได้เสียหายอะไรไม่อนุเคราะห์เขาบ้างเลยเหรอมึงไม่สามารถรับบุญได้กูก็ไม่ให้อาหารพรอบุญอุทิศไปเท่าไหร่ก็ไม่ได้ปล่อยไปตามกรรมเธอทั้งๆ ท, ที่เขา ย, ยังสามารถกินเศษอาหารได้อยู่จะไม่อนุเคราะห์เขาบ้างเลยเหรอเออเข้าใจ <c oughs> แต่ให้รู้ความหมายของการทำเนอไม่ใช่หลงทำต้องรู้ความหมายของการทําจริงๆ เขาบอกมีหลักฐานยืนยันในพระไตรปิฎกไหมไม่มีอข้อเนี้แต่ไปรู้ไปเห็นมาก็ไปรู้ไปเห็นมาเวลาเราพูดให้ฟังนีเนาะก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พูดนี้ถูกและก็ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่พูดนี้ผิดหมายถึงว่าพูดให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ไปรู้ไปเห็นมาอย่างนี้ก็มาลอาให้ฟังอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ ฐานะผู้เจ้าจึงบอกว่าผู้อยู่ในฐานะของผู้รับบุญอุทิศบุญให้จะได้รับพอโพลบอกว่าการอุทิศสุขศลกับเปรตผู้ที่ละชีวิตไปจะต้องเป็นเปรตที่อยู่ในฐานะเท่านั้นจึงจะรับได้แต่อัฐานะไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญอุทิศยังไงไม่ได้ก็ต้องใช่ไหมหละ่ะก็ไปวางไว้ทิ้งไปให้เขากินเนี่ยเฮ้ยบางคนก็มีก่อนจะกินข้าวใช่ไหมจับปุ๊บโยน มีนะเศษอาหารเศษอะไรโยนให้พวกอยู่ข้างๆซ้ำเขเวสีหรืออะไรที่เราเข้าใจกันนั่นแหละเข้าใจไหมก่อนจะกินนะนะจับโยนให้พวกนี้ก่อน <c oughs> หรือบางทีเรากําลังจะกินอยู่เนี่ยกําลังจะเอาเข้าปากผีมันมาปัดมือให้มันหลน่น <c oughs> เพื่ออยากจะกินกับเราบ้างบางทีจะเข้าปากอยู่แล้วมันหล่นอะ่ะเ <c oughs> ขาจะยังผีมันอยากจะกินพอมันหลน่นปุ๊บอ้าวเป็นของทิ้งแล้วมันจะกินได้ <c oughs> อย่างนั้นตก็มี หรือบางทีถือถ้วยมาดีๆหลุดมือเพลงลงไปเนี่เราก็ว่าเราถือแน่นอยู่นะผีมันอยากจะแย่งเ้าเรียก่าผีแย่งกินภาษาโบราณเขาว่าใช่ไห ม, มก็มีอย่างนั้นจริงๆมันก็ผีพวกที่ต้องการกินพวกนี้มันก็มีเราก็ต้องดูเคราะห์เขาบ้างแต่ก่อนธรรมะมองว่าเป็นเรื่องเหลวไหลพอไปรู้ไปเห็นมาแล้วโอ้ไม่เหลวไหลนี่หว่าเป็นเรื่องมีอยู่จริงนี่หว่า ไม่ใช่เรื่องเลวไหลเสมอไปนี่แต่ก่อนไม่ยอมรับว่าเอาขอไปวางไว้อย่างนั้นจะได้กินที่ไหนเราสารพภูมิเหมือนกันเอาของไปวางไว้สารพภูมิจะกินที่ไหนเราแต่ฮะผู้ที่อยู่ในสารพภูมิเป็นเทวดาจะไม่กินของอย่างนั้นเ <c oughs> พราะเทวดาจะอยู่ในฐานะของผู้รับบุญที่กินของเส้นไห้ก็คือไม่ใช่เทวดาเป็นพวกผีที่ไม่อยู่ในฐานะของผู้รับบุญและทีนี้มนุษย์จะยกผีที่ไม่อยู่ในฐนฐานะของผู้รับบุญ ไปไหว้สันพภูมิแล้วเอาของไปเส้นไหว้เลี้ยงเขาควรแก่ฐานะของมนุษย์ไหมที่จะทําอย่างนั้นไปไหว้ผีที่ไม่อยู่ในฐานะของรับบุญคือเป็นผู้ที่บุญน้อยมากบุญต่ํามากโอกาสที่จะรับบุญก็น้อยแล้วแล้วเราไปยกผีขึ้นไปอยู่ในสันพภูมิแล้วไปกราบไหว้เอาของไปเส้นไหว้เขาอย่างเงี้ยควรแก่ฐานะของผู้เป็นมนุษย์ผู้สูงส่งกว่าเขาไปทําอย่างนั้นไหมไปไหว้ผู้ที่ต่ำกว่าตัวเองควรไหมเพราะนั้นการมีสันพระภูมิจึงไม่ควร เขาบอกว่าเอ้าเทวดาอยู่ไม่ใช่เหร อ, หรอพระภูมิเจ้าที่นี่เรารู้ได้ไหมล่ะว่ามีเทวดาอยู่ผู้เป็นเจ้าของบ้านที่มีสารพระภูมิในบ้านรู้ไหมว่ามีเทวดาอยู่ในในสารพระภูมินั้นเจ้าตัวรู้ไหมแต่คิดว่ามีใช่ไหมแต่ไม่ได้รู้ว่ามีจริงแต่คิดว่ามีเอาถ้าคิดว่ามีแล้วเรารู้ไหมว่าเทวดาเขาไม่ได้กินของเส้นไหม่อย่างนั้นเขากินบุญอุทิศบุญให้เขาเขาก็ได้รับใช่ไหมละ่ะ เพราะนั้นถ้าเชื่อว่ามีเทวดาอยู่จริงก็ไม่ต้องเอาของไปเซ่นไหว้ไม่ต้องไปจุดธูปจุดเทียนกาไหว้และหากเชื่อว่ามีเทวดาอยู่จริงเทวดาเขาไม่ได้อยู่ในสารพภูมิเขาจะอยู่ในวิมานก็อุทิศบุญเป็นวิมานให้เขาอยู่สิเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการทําสารพภูมิจึงไม่มีมีแต่โทษมีไหมที่บ้านมีมก็ก็มีเห็นมไหมล่ะ<อ>เชื่อว่า มีเทวราหชเชื่อว่ามีเทวราและแน่นอนว่าเทวราไม่ได้กินอาหารของเส้นไหวอย่างนั้นแน่นอนและความเชื่อเราเชื่อว่ามีเทวราแล้วอาหารไปเส้นไหวเขาอย่างนั้นะ่ะมันถูกไหมล่ะไม่ถูกแล้วมันอยู่ในส่วนของไหนถ้ามันไม่ถูกก็ในส่วนของความผิดก็คือเป็นความง ม, มงายอย่างหนึง่งแต่ก็ยังยึดถือทําอยู่เพราะคนทางเหนือชอบไม่ได้ว่าคนทางเหนือทั้งหมดนะ ทางเหนือที่มีเหตุผลก็มีแต่ทางเหนือที่ติดอย่างนั้นก็เยอ ะ, อมะเมือม่อก่อนง่าตั้งได้ก็ต้องเอาออกได้ ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนตั้งได้ก็ยังตั้งได้ถ้าไม่เอาออกจะเอาออกไม่ได้เขาบอกว่ามีนางตะเคียนอยากจะนางตะเคียนไปตัดต้นตะเคียนทิง้งมันไม่มีที่อยู่มันอยากจะได้ที่อยู่มันอยากจะได้มีศารอันนั้นตะเคียนเซ่อๆอย่างนั้นไปอยู่ในศารตะเคียนที่โอย อุทิศบุญให้เขาแหมนางตะเคียนก็รับบุญได้นางตะเคียนก็เป็นเทวราจผู้พูนเป็นลูกคาเทพเนี่ยเคยเกิดเป็นลูกคาเทพมาก่อนเป็นเทวดาที่สถิตต้นไม้อดีตชาติเคยเกิดเป็นลูกคาเทพมาก่อนสถิตอยู่ที่ต้นกระพองต้นกระพองคืออดีตชาติเขาเรียกว่าต้นกระพองในสมัยนั้นแต่สมัยนี้เขาเรียกต้นอะไรก็ไม่รู้แต่สมัยนั้นเขาเรียกว่าต้นกระพองเราเป็นอาตมาเป็นเทวราชสถิตต้นกระพองมาก่อน แล้เป็นต้นตกระพองคู่มีคู่กับเทวราอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่มากสูงใหญ่มากคู่กันต่างงานอยู่ตายจากเทวราที่อยู่ต้นตกระพองนั่นแหละตายมาจึงมาเกิดเป็นเนี่ยแหละไอ้นี่ลนเลยนน <c oughs> ใช่แล้วต้นกระพองก็อยู่โอยเบียงเกี่ยงต้นกระพองนัน มีวิมานอยู่ในต้นไม้ใช่ไหมครับไม่ได้อยู่ในต้นไม้แบบที่เราเห็นใช่มครัมีวิมานอยู่ในนั้นเป็นที่สถิตคําถามจากโยมชัยเดชอินแตนขออนุญาตถามการ ป, รปรวารณาถือศีลแปดอยู่ที่บ้านและมีการทํางานบ้างจะได้ไหมคะแต่ก็จะพยายามทํางานให้น้อยลงกว่าวันปกติคือจะถือศีลแปในวันพระค่ะ ศีล8มีปณติบาตอธินาทานอพรามจริยามูสาวาธาสุลามิรยะมชะประมาทฐานวิกาลโพชนานี่ก็มาลาคันธบิเลตปะละทารณะมันนะวิภูสนัฏฐานานัจคีตวาธิตตบิสุกัศนาศีล8ทํทำการงานได้ไหมตอบว่าไม่ได้ ถามว่าผิดศีลข้อไหนผิดศีลข้ออภรรมจาริยาการประพฤติที่ไมิใช่พรหมจันทร์การประพฤติที่ไม่ใช่พรหมจันทร์หมายถึงว่าจัญญาแปลว่าการประพฤติพรหมคือคือประพฤติประดุดดังพรหมพรมเขาอยู่ยังไงจะไม่ทําการงานพรมก็ไม่ทำการงานการงานของผมคืออะไรรู้ไหมนั่งแผ่เมตตาทั้งวันทั้งคืนนี่คือการงานของผมพรหมเขาประพฤติอย่างนั้นทุกวันนี้ไปถือศีล เราประพืชแบบผรมไหมไม่ทายังไงตีวงนั่งคุยกันนินทาคนนั้นนินทาคนนี้ถือศีลอยู่ในวัดพูดถึงเรื่องนั่นเรื่องนี้นะผู้หญิงก็พูดถึงเนี่ยลูกเขยลูกภัยอยู่นั่นเนี่ยลูกสบายผู <c oughs> <c oughs> ้ชายก็พูดถึงแต่เรื่องอะไรลงนาลงไทยลงน้องลงอะไรไปนั่นแหละทานพนงพนันแล้วแต่จะจะพูดกันไม่ได้ประพฤติแบบผม พระมาจันทร์เขานั่งแผ่เมตตาเดินจงกลมแผ่เมตตานั่งนั่งนั่งเฉยเฉยแผ่เมตตาเขาทํากันอย่างนั้นดิีล้วในในส่วนของการทำกับข้าวเป็นทำกับข้าวบริโภคได้แต่อย่าให้เลยวิการทํากับข้าวบริโภคได้อย่าให้เลยเวลาวิการเท่านั้นเองทําได้ไดก็ก็ต้องทําเราไม่เลี้ยงตัวเราแล้วใครจะมาเลี้ยงเราสี่แปดมันทําได้ไม่ได้ห้าม แต่สิลสิบไม่ได้สิลแปดได้ตอบว่าทำงานไม่ได้นะก็แค่วันเดียวเองมันไม่ล่มจมชีบหายหรอกเอาความดีความดีไม่เคยพาใครล่มจมชีบหายแต่จะพาคนเจริญรีชาถามมาว่าขอถามครับในกรณีที่วัดใดวัดหนึ่งมีพระเป็นตัวแทนรับของสงฆ์แทนสงฆ์ แล้วตัวแทนสงฆ์มอบให้คนวัดจัดการของสงฆ์แทนข่าอาหารน้ําเป็นต้นสามารถจัดการแทนได้ไหมครับแล้วคนวัดนั้นสามารถจัดการแทนตลอดโดยไม่ต้องขออนุญาตตัวแทนสงฆ์ใช่ไหมครับวัดที่มีพระเป็นตัวแทนรับของสงฆ์คือสงฆ์ลงมติให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเป็นตัวแทนรับของสงฆ์ ที่โยมนําของสงมาทําบุญแล้วตัวแทนสงนี้มอบให้พนวัดจัดการในส่วนที่สงตัวของสงไม่สามารถเข้าไปจัดการได้เช่นข้าวพระไปหุมข้าวไม่ได้อาหารพระไปทําอาหารเองไม่ได้น้ํานี่จัดแจงได้น้ํานี่พระทําได้ข้าวอาหารสองอย่างเนี้ยแล้วก็อื่นๆที่บางอย่างที่มันผิดกับพระธำบางทีไห ที่ไม่ได้ท่านก็จะไม่ไม่ยอมแต่ท่านก็จะมอบให้ผลวัดหรือบยาญัตจกรหรือใครก็ได้ที่สามารถจัดการแทนได้ให้ทําคนวัดนั้นสามารถจัดการแทนตลอดโดยไม่ต้องขออนุญาตตัวแทนสงฆ์ใช่ไหมครับเมื่อตัวแทนสั่งการให้จัดการได้แล้วก็จัดการได้ตลอดไม่ต้องขออนุญาตนอกเสียจากว่ามีเหตุบางอย่างที่จะต้องพูดคุยกันใน ความผิดพลาดในการจัดการที่จะต้องบอกต่อกันในบางเรื่องอันนั้นก็ต้องสร้างเงื่อนไขขึ้นมาว่าจะทำอันนี้ต้องบอกกก่อนทุกครั้งถึงจะทำได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเป็นเป็นเรื่องเรื่องไปเป็นกรณีไป น, น, นี่คือวิธีการอีกคำถามหนึ่งครับถ้าเราปลูกพืชผักผลไม้ในที่ของสงแล้วพนวัดในที่ของสงสามารถจัดการเก็บผักผลไม้แทนโดย ไม่ต้องขออนุญาตตัวแทนสงฆ์ในกรณีที่ตัวแทนสงฆ์อนุญาตให้คนวัดนั้นจัดการทั้งหมดโดยไม่ต้องบอกอีกแบบนี้ได้ไหมครับหรือต้องขออนุญาตเป็นเรื่อ ง, องไปหากอยู่ร่วมกันก็ควรจะบอกกันแต่ทางที่ดีที่สุดไม่จะเป็นต้องบอกกอ็ได้นะแต่ที่ดีที่สุดก็คือของทุกอย่างที่เกิดในวัดตกเป็นของสงฆ์ทั้งหมดแม้บุคคลจะมาปลูก ก็ชื่อว่าเป็นของสงฆ์เพราะอยู่ในแผ่นดินของสงฆ์เพราะเจริญเติบโ ต, ตในที่ของสงฆ์เรียกว่าเป็นของสงฆ์ตกเป็นอํานาจของสงฆ์สงฆ์ควรประกาศของสงฆ์ไม่หวงแหนโดยการประชุมสงฆ์ตั้งแต่สีลูปขึ้นไปแล้วตั้งยติขึ้นมาว่าท่านทั้งหลายขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าบรรดาพืชทั้งหลายาบรรดาพืชสิ่งของและของอุปโภคบริโภคใช้สอยต่างๆ อันมาถึงแล้วแก่สงในอาวาสนี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะอนุญาตให้คนวัดหรือใครก็ได้ที่เข้ามาในอาวาสนี้สามารถใช้สอยบริโภคของสงนี้ได้ <c oughs> นี้คือยติท่านทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าการที่สงไม่หวงแหนสิ่งของใดก็ตามอันเกิดจากเปลือกหนอใบรากผล และของอุปโภคใช้สอยบางอย่างหรือสิ่งต่างๆที่มาแล้วเพื่อสงสงไม่หวงแหนในของบริโภคเหล่านี้ของเหล่านี้จึงเป็นเป็นของควรใช้สอยแก่คนทั่วไปแม้แต่คนบักได้สงเห็นชอบพึงนิ่งสงไม่เห็นชอบพึงคัดค้านประกาศออกไปอย่างเงี้ยสงนิ่งอยู่ข้าพเจ้าจักสงความนี้ไว้ด้วยอย่างนี้หมายถึงว่ายอมรับมติว่าของทุกอย่างของสงนี้เป็นที่ทั่วไปแก่ชาวบ้านได้ชาวบ้านเอามามาใช้ก็ไม่ผิดมาเก็บเห็ดในวัดก็ไม่ผิด เปลือกนอใบราก ล, ลำต้นยอดและของอุพภคใช้สอยบางอย่างต้องประกาศออกไปเขาเรียกว่าผู้เจ้าอนุญาตไว้ว่าให้ภิกษุเป็นให้สมเป็นผู้ประกาศของสมไม่ ห, ห่วงแหนในอาวาดหากอาวาสใด ไ, ไม่ประกาศอย่างนี้หากมีคนภายนอกเข้าไปในอาวาสแล้วไปใช้สอยแม้กระทั่งน้าในอาวาสคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ขโมยของสม หากเราเข้าไปวัดวัดไหนที่ไม่ได้ประกาศของสงฆ์ไม่หวงแหนไว้เราไปใช้ของในวัดถือว่าไปใช้ของสงฆ์เป็นที่สงฆ์นนงต้องประกาศอยู่ที่นี่ประกาศแล้วเรียบร้อยใช้ของอะไรก็ใช้ได้หมดอยู่ที่นี่อาวาตรนุ้นก็ประกาศที่ไหนก็ประกาศแต่อาวาตทั่วไปไม่ได้ประกาศไหมใครไปอาวัตนั้นแล้วไปใช้ของในอาวัตนั้น รู้ไหมว่าโทษของการใช้ของสูงโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นยังไงเงือเป็นเปตหนักที่สุดคือตกนรกแต่ถ้าจะบอกเอาไปเตอร์นั้นก็ต้องประกาศในมติของสงฆ์ก่อนนะถึงจะอนุญาตได้ไม่ใช่แค่ว่า อาศัยพระสงฆ์องค์เดียวแล้วบอกไปเลยเอาไปเถอะอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องต้องสี่รูปขึ้นไปรูปใดรูปหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ต้องสี่สี่รูปหมายคือว่าเราเห็นมัม่วงในวัดอยากจะได้ไปขอจเจ้าอาวาสเจ้าจอาวาสต้องเรียกพระมาสี่รูปแล้วประกาศว่าเราจะอนุญาตให้มัม่วงนี้กับโยมพวนี้หรือไม่ควรหรือไ ม, อไม่สงเห็นชอบไหมถ้าสงไม่เห็นชอบ ก็ไม่ได้เอาไปก็ไม่ได้ถ้าสงเห็นชอบได้ก็ลงมติกันได้ก็เอาไปได้แต่จริงๆแล้วควรจะประกาศได้เลยว่าใครก็ตามเข้ามาสู่อาวาสนี้สามารถบริโภคของที่เป็นเปลือกหนอใบยอดรากลำตน้นของอุปโภคใช้สอยต่างๆที่เป็นของสงได้โดยสงไม่หวงแหนประกาศไว้อย่างนั้นคือประกาศไว้เป็นมติต่อตลอดไปเลยอย่างนี้นะสามารถบริโภคได้ตามความชอบใจแกชาว บ, บ้านทั้งหลายอันเนี้ย ไปเอาเมื่อไรก็ได้ไม่ขอเจ้าอาวาสก็ได้อเนี่ยแล้วที่วัดทํากันไหมล่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ไหมส่วนมากไม่ทํากันนะแต่ที่นี่ประกาศไว้แล้วที่นี่ประกาศไว้แล้วที่ดอยนุ่นก็ประกาศไว้แล้วโอ้โหอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้คนเดียวไม่ได้ภาพรูปเดียวไม่ได้เจ้าอาวาสรูปเดียวก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสีไม่ได้ต้องสีขึ้นไปถ้าสมมติผมม่สีก็รูปมาได้ไม่ได้ ไม่ได้บ่อยแล้วมั้งนี่ถามว่ะถามทาอย่างนี้เรามีวิธีแก้ไหมมีแก้ได้ไหมแก้ได้ทำยังไงก็นิมนต์พระสงฆ์สีรูปมาแล้วเข้าไปแจ้งโทษที่ตัวเองได้ละเมิดของสงฆ์ในอาวาสนั้นว่าขอสงฆ์จงอดโทษอาภัยให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดสงฆ์ก็จะลงมติว่าควรอดโทษอาภัยแก่ผู้นี้ไหม ถ้าสงเห็นมติว่าควรอุทธรณ์และอาภัยให้ได้โทษนั้นก็ตกไปต้องแจ้งแจ้งที่ไหนแจ้งอาวาสไหนก็ได้ขอให้มีที่พระสงฆ์สีรูปแต่ถ้าจะให้ถูกต้องแจ้งต้องมีต้องนิมนต์ที่สื่อสงฆ์สีรูปไปในอาวาสที่เราละเมิด น, นั้นถ้าจะให้ถูกนะ เอาที่ถูกทำจริจริงแต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็แจ้ใงในอาวาสไหนก็ได้ที่มีพระสงฆ์สีลวดที่รู้ทำไม่ได้ในข้อนี้นะเพราะสงฆ์ที่ไม่รู้ทำที่ไหนข้อนี้ก็มีบางสงฆ์บางองค์ก็บอกว่าไม่ผิดเราเอาไปเลยเงี้ยอันนั้นผิดไปด้วยกันเลยนะทั้งพระทั้งโยมเดี๋ยวก็ไปเจอกันอยู่ในขุมเดียวกัน <c oughs> เอาโยอมมาได้เลยม <c oughs> <c oughs> เอาท่านยังมาดูเลย เอาก็วันนั้นแหละก็ไปขอของสงศ์อาตมาก็นึกว่าได้นเราไปคุยกันอยู่ในนรกนู่นเยนะสงศ์ภิกษุอาพาธหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าไม่ได้ป่วยก็บาปบาปทั้งเราทั้งผ้า ว่าสองอยและนี้ก็ไม่ได้แล้วเดนสมาเนนี่ก็ไม่ได้แล้วสิบแปดก็ยังไม่ได้เลยเฮ้บ้านน่ะส่งเข้าว่าได้ไปบ้านะเนี่ยยงสยงก่อนนี่ยงันมันมันลโพูดถึงนรกลามไปเรื่องผิดอีกเยอะเลยนีโอเรื่องค้างที่จะไปนรกนี่มันเยอะจังเลยเว้ย เอาทางไปสวรรค์ดีกว่ามาั้งเจ อ, เ อ, เอจริงจริงนะนรกไปจริงๆไปได้จริงๆแล้วก็ไปได้อย่างง่ายๆด้วยไปได้สบายสบายมากนรกไปโดยแบบไม่มีอะไรติดขัดซะด้วยไปนรก <c oughs> ดีทางไปนรกเยี่ยมมากมีเยอะด้วย ดีนะมีเพื่อนพ้องเยอะนี้น่นแหะน่าไปอย่างนั้นแต่ไม่น่าไปหรอกพาะไปแล้วไม่ได้สนุกไปแล้วมีแต่โห่่แต่เอาความทุกข์มาอ้างกันมีแต่เสียงร้องควนกลางอดวยไม่มีเสียงเงียบเงียบแบบนี้ไม่มีเราว่าเราไปอยู่ในกรุงเทพเสียงรถเสียงลาอะไรน่าลำคาญแล้วโอ้ยน่ารบกวนขนาดนั้นนรบกวนนี่เสียงร้องเนาะเสียงร้องความเจ็บปวดโอยหัวมันเป็นเสียงที่น่าฟังไหมล่ะ ไปดูในโรงพยาบาลนดิคนนั้นก็เจ็บคนนี้ก็ปวดอันนั้นก็ขาก็าห้อยตองแตง่งโยงกันไปโยงกันมาไอโ้นโนท์ก็รถเข็นไอ้นี่ก็ไม้คําเห็นแล้ว โ, โหแต่ละคนอันนั้นแค่โรงพยาบาลนะในนรกมันหนักกว่านั่นหนักโอ้เสียงควนค้างนี่ไม่มีระหว่างขั้นเลยไม่มีเสียงหยุดเลยเสียงในตลาดยังถือว่ายังแค่ แค่เล็กน้อยนะในเสียงนะั้นเรางมไปหมดเลยนะเสียงร้องของสัตว์นรกผู้อยู่ในอบาบัยเราเอากแกด้วกอีทราออหดอีกลมังพูดเรื่องนรกมันน่ากลัว <c oughs> แต่ออกมาปลอดภัยแล้วยืนยันกับตัวเองว่าปลอดภัยตลอดเวลาสบายสบายแต่พวกเรายังไม่ปลอดภัยต้องฝึกปฏิบัติเรียนจบปริญญาเอกก็ปิดอบายภูมิไม่ได้แต่เรียนในพระราตนาใยนี้ปิดอบายภูมิได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้มีเรียนนะก็เรียนเรียนชีพตัวเองแต่ก็ต้องเรียนพารตัตนาใยนี้ไปด้วยปิดอบายภูมิได้เอาละพอสมควรแก่เวลาวันนี้ เอวังขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนที่รับชมรับฟังกันในวันนี้พุทธโธ ร, รักษาธโมรักษาสังโฆ ร, รักษาพุทธโธคุ้มครองธโมคุ้มครองสังโฆคุ้มครองพุทธโธธโมสังโฆอายุวันโนสุขขังพลังมีความสุขความเจริญ